เรื่องเก็บจีวรไว้ในวิหารอันทวัน362สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งเก็บจีวรไว้ในป่าอันทวันครองอุตราสคงกับอันตรวาศเข้าไปบินทบาดในหมู่บ้านพวกโจรลักจีวร น, นั้นไปภิกษุนั้นจึงใช้ผ้าเก่าครองจีวรเร้าหมอง พวกภิกษุกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทำไมท่านจึงใช้ผ้าเก่าครองจีวรเส้าหมองเล่าภิกษุรูปนั้นตอบว่าท่านทั้งหลายผมเก็บจีวรไว้ในป่าอันทวันแห่งนี้แล้วครองอุตราสงกับอันตรวาศเข้าไปบินทบาทในหมู่บ้านพวกโจรลักจีวร น, นั้นไปเพราะเหตุนั้น ผมจึงใช้ผ้าเก่าครองจีวรเศร้าหมองภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุมีแต่อุตตราสง์กับอันตรวาศไม่พึงเข้าหมู่บ้านรูปใดเข้าไปต้องอาบัตทุกกฏ